หรือว่าความแปลกใหม่ให้กับชีวิตคนสมัยนี้เนี่ยเรียกว่าจะรู้สึกเป็นปฏิบัติกับความเบื่อมากนะแล้วก็เบื่อง่ายด้วยยิ่งมาปฏิบัตินะอยู่กับอิริยาบถเดิ ม, ดมสถานที่เดิมๆบางทีแค่ชั่วโมงเดียวก็เบื่อแล้ว เพราะว่าสิ่งเสพสิ่งกระตุ้นเดี๋ยวนี้มันมาทุกสิบวินาทีทุกนาทีแม้กระทั่งดูโทรทัศน์เดี๋ยวนี้มันก็มีการเปลี่ยนภาพเปลี่ยนช็อตอยูอ่ทุก5วินาทีก็ได้ไม่ค่อยมีภาพที่มันจะแช่นานๆขนาด10วินาทีมันเปลี่ยนป๊บ ป, บปบัเร็วมากไม่ว่าหนังหรือว่าโฆษณา แล้วก็คุ้นนะจรทั้งติดอารมณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆพอมาปฏิบัติไม่ว่าในวัดหรือว่าในสำนักก็ตามเจออารมณ์เดิมๆหรืออยนเบิมเดิมๆแค่ชั่วโมงเดียวก็กระสับกระส่ายแล้วจริงๆเนี่ย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 ว่าเราตำหนิเราเราก็คงจะไม่รู้สึกเบื่ อ, อต่อไปเราจะมีแต่ความโกรธหรือถ้าเกิดว่าของหายนะเงินหายโทรศัพท์หายก็จะไม่มีความเบือ่อแล้วล่ะจะมีความเสียใจจะมีความเสียดายหรือว่าหนักกว่า น, นั้นถ้าเกิดว่ามี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 ความเบื่อมันเป็นสัญญาณว่าชีวิตเราราบรื่นราบรื่นไม่มีเหตุร้ายแต่คนเรามักจะไม่มองอย่างนั้นนะเพราะไปคิดแต่เรื่องความสนุกสนานความตื่นเต้นพอไม่มีมีความบวมีความเบือเบ่อเกิดขึ้นก็ไม่เอาละทั้งๆ ท, ที่ความเบื่อนี่แหละมันเป็นสัญญาณแสดงว่าชีวิตเราเนี่ ย, ร า, ร, ยราบรื่นปกติ ปัญหาของอาจจะเป็นเคียงแค่ว่ามันราบลื่นนะนานไปหน่อยแต่ก็ดีกว่ามีความโกรธมีความเสียใจหรือความเศร้ามามาแทนเราอยากจะได้แบบนั้นไหมความเบื่อฉันไม่เอาละถ้าไม่เอาความเบื่อก็เจอความเศร้าความเสียใจความหรือแม้กระทั่งความเครียดความหงุดหงิดอย่างนี้เราเอาไหม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 เราหายใจเข้าหายใจออกวันลาไม่รู้กี่หมื่นครั้งนะซ้ําไปซ้ํามานี่เราเป็นนี่นะของการทำอะไรซ้ําๆไม่ว่าจะไม่ว่าจะเรื่องของสุขภาพหรือว่าความรู้หรือความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมะต้องอาศัยการทําซ้ําๆกันซึ่งอาจจะมีการความเบื่อเกิดขึ้นนะแต่ว่ามันก็ชั่วคราวนะพอเราคล่องแล้ว นะก็เกิดความภาคภูมิใจเกิดนะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความเบื่อในการปฏิบัติธรรมนี้ให้ให้ตระหนักว่ามันเป็นเรื่องจิ๊บจอยมากนะที่จริงมันมีอารมณ์ที่น่ากลัวหรือว่าสร้างปัญหาให้กับเรามากกว่าความเบื่อเยอะนะนอกจากความโศกเศร้าเสียใจความโกรธความพยาบาทแล้วอารมณ์หนึ่งนะที่มันยิ่งกว่าความเบื่อคือความกลัว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 เอากลล้มเหลวก็เลยจำยอมต้องทำสิ่งซ้ำๆเดิมๆเบื่อก็เบื่อนะแต่ว่ากลัวไม่กล้าทำอะไรใหม่เพราะกลัวมันจะเสี่ยงไปบางคนก็อาจจะอยากเป็นศิลปินนะแต่ว่ากลัวว่าจะเป็นศิลปินไส้แห้งก็เลยเลือกเลือกเรียนวิชาที่มันจะมีที่จะมีอาชีพหาเงินได้ง่ายนะเอาความ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 กลัวลำบากกลัวล้มเหลวนะก ล, วนนกลัวนุ่นกลัวนี่เยอะๆเป็นหมดนั้นสิ่งที่สิ่งที่เราควรจะใส่ใจเนี่ยหรือควรเราควรจะตระหนักนะมากกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ความเบือนะ่อเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหามากกว่าคือความกลัวนะความกลัวนี่เป็นตัวอุปสรรคทําให้เราไม่สามารถจะพัฒนาตนได้เจริญก้าวหน้าซึ่งอันนี้เนี่ยผู้ใหญ่เราสู้เด็กไม่ได้นะทาโร่เนี่ยมันเขาไม่ค่อยกลัวนะ อย่างที่ได้คุยเมื่อตอนกลางวันนะว่าเด็กเขาเขาเดินไม่เป็นเขายืนไม่ได้นะแต่ว่าเขาก็พยายามยืนเขาก็พยายามเดินน้าที่รู้ว่ายืนแล้วเดินแล้วก็จะล้มแต่เขาก็ไม่กลัวเขาก็ไม่เข็ดเขาก็พยายามยืนขึ้นมาให้ได้แล้วก็พยายามเดินแล้วเขาก็ล้มแต่เขาไม่กลัวนะเขาก็พยายามยืนขึ้นมาอีกแล้วก็เดินอีกนะ ทำอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งเดินเป็นถ้าเด็กกลัวเด็กก็จะไม่มีทางพัฒนาจากการคลานเป็นการยืนและการเดินได้แต่เด็กเขาไม่กลัวเมื่อไม่กลัวก็เลยกล้าเสี่ยงเมื่อเสี่ยงก็เลยทําให้เด็กสามารถที่จะเดินได้เด็กเราเนี่ยคือเราในวันนี้นะนะั่นแหละแต่ว่าไอ้ความกล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆกล้าที่จะลองผิดลองถูก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 สิ่งที่เรากลัวนี่นะมันไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวฟังดูงงไหมสิ่งที่เรากลัวไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวสิ่งที่เรากลัวคืออะไรบางคนกลัวความมืดแต่ความมืดมันก็ไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวมืดงั้นถ้าเรากลัวความมืดอยู่นี่เราก็จะไม่กล้านอนคนเดียวนอนคนเดียวแล้วก็คิดปรุงแต่งสารพัดตอนที่ความมืดไม่มีอะไรเลยความมืดอาจจะปลอดภัย เรือไม่ใช่อาจารย์เนี่ยปลอดภัยเป็นส่วนใหญ่ยงเช่นความมืดที่วัดเนี่ยมันเป็นความมืดที่ปลอดภัยแต่เพราะความกลัวมืดก็ทำให้เรานอนกระสับกระส่ายใบไม้ตกก็ตื่นเสียงตุ๊บแกร้องก็ผาวานะมดอ่าไม่ให้หมดหนูเดินรล้วรากุฏิก็กลัวจนนอนไม่หลับบางทีก็ปรุงแต่งไปนึกถึงผีขึ้นมา ไอ้ความกลัวนี่แหละที่มันทําให้เรานอนไม่หลับไม่ใช่ความมืดความกลัวมืดทําให้เรานอนไม่หลับไม่ใช่ความกลัวมืดไม่ใช่ความมืด ค, ความล้มเหลวก็เหมือนกันนะความล้มเหลวมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเท่ากับความกลัวล้มเหลวพอกลัวล้มเหลวแล้วเลยไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆก็เลยแช่ติดตันอยู่อย่างงั้นแหละจําเจโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันนะ มะเร็งก็ไม่น่ากลัวเถ้าความกลัวมะเร็งนะหลายคนเป็นมะเร็งเขาก็มีความสุขใช้ชีวิตตามปกติได้แต่ถ้ากลัวมะเร็งเสร็แล้วนี่นะแม้จะแม้จะไม่ยังไม่เป็นมะเร็งเลยนะก็ทุกข์แล้วบางคนไปหาหมอนะหมอก็บอกขอตรวจชิ้นเนื้อหน่อยพอเอาชิ้นเนื้อไปให้มาฟังผลแค่รุย้ยต้องตรวจชิ้นเนื้อนี่ก็ภาวาแล้ว และยิ่งหมอบอกว่าอีกสาวันมาฟังผลอีกห้าวันมาฟังผลคราวนี้แหละนะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเหมือนกระตกนรกเลยทั้งที่ตอนหน้นา จ, จะไม่ได้เป็นมะเร็งด้วยซ้ำนะในความเป็นจริงอาจจะเป็นแค่เนื้อเนื้อเนื้อเนื้ อ, องอกที่ไม่อันตรายแต่พอกลัวมะเร็งเสร็จแล้วนี่นะมันก็อาการเพียบหนักยอย่าคนเป็นมะเร็งสิมีคนนึงเขาไปตรวจเป็น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 พรจริงที่จริงเขาไม่รู้หรอกว่าหมอตั้งใจจะบอกว่าเขาเป็นลินหัวใจรั่วริดหัวใจรั่วเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตตามปกติได้อาจจะเล่นเล่นกีฬาได้ได้ซ้ำแต่ว่ามันต้องรักษาแต่ว่ามันไม่ถึงกับว่าตายสถานเดียวแต่พอเขาสร้างภาพว่าวาดภาพในใจว่าหรือปรุงแต่งในทางลบว่าโอยเป็นหัวใจรั่วแบบ น, นี้ฉันตายแน่กลัวกลัวตายขึ้นมาสองวันเท่านั้นแหละ เข้าโรงพยาบาลเลยหรือโรงพยาบาลไม่กี่วันก็เข้า ICU แล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยคือตายทั้งที่เขาไม่ได้เป็นอะไรมากคือแค่ลื่นหัวใจรั่วแต่ความกลัวไงการปรุงแต่งในทางลบอย่างที่พูดเมื่อ2วันก่อนแล้วก็ปรุงแล้วก็ไปยุทธ์มันม่นถือมั่ว่ามันจริงแน่นอนเลยแล้วก็เติไมไปด้วยความกลัวเข้าไปอีกนะไอ้ความกลัวนี่มันทําให้ร่างกายสุด ทั้งที่ก็ไม่ใช่ไปไม่ใ ช, ไใช่ไม่ได้มีลิ้นหัวใจรั่วเลยไม่ได้มีหัวใจรั่วเลยเลยแค่กลัวว่าหัวใจรั่วแค่นั้นหละร่างกายก็สุดถึงบอกว่าสิ่งที่เรากลัวเนี่ยมันน่ากลัวแล้วยกว่าความกลัวนะคนบางคนเป็นมะเร็งพอบอกว่าหมอพอหมอว่าเป็นหมอบอกว่าเป็นมะเร็งแค่นั้นละสุดเลย ท, ทั้งที่หมอทั้งที่ตัวเองจจะไม่เป็นอะไรแต่หมอวินิจฉัยผิดนะ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 การที่เข้าไ ป, ปเผชิญกับสิ่งที่เรากลัวเรากลัวอะไรต้องเข้าไปเจอกับสิ่งนั้นเรากลัวความมืดก็ต้องเข้าไปเจอความมืดนะถึงจะหายกลัวอันนี้พู้เจ้าตัดไว้เองนะว่าสมัยที่พระองค์ปฏิบัติธรรมนะใหม่ๆเนี่ยพระองค์ก็เข้าไปปฏิบัติธรรมในป่าก็กลัวมากนะพระพุทธเจ้านี่ตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถานี่กลัวนะกลัวความมืดกลัวป่า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 แล้วพบ ว, ว่าป่วงพ ว, วันเนี่ยเป็นวิธีที่จะจัดการความกลัวได้ดีที่สุดเนะพราะอะไรพอพอไปไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงที่ที่เรากลัวเนี่ยก็จะพบว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยกลัวเวลานั่งก็ลองนั่งดูก็พบว่ามันไม่มีอะไรที่น่ากลัวไอ้ความกลัวนี่เกิดจากสิ่งที่ปรุงแต่งไปเองแต่พอเจอของจริงเข้ามันก็ไม่ได้น่ากลัวหรือไม่ได้เลวร้ายอย่างที่นึกเอา ความกลัวก็หายไปเพราะว่าเห็นพ่อมีปัญญาหรือเห็นความจริงว่ามันไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวนะอันนี้แหละที่ที่ตรงกับที่นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะแกเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังมากมารีคูรีเนี่ยเป็นผู้หญิงนะชาวโปแลนด์เป็นคนที่เก่งมากได้รว่วมโนเบลมาสองครั้ง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 ตอนหลังก็เลยกล้าที่จะเสี่ยงทําอะไรใหม่ๆนะลงทุนในกิจการที่ไม่มีใครเขาทําแต่ว่าคิดดูแล้วเออมันมันเข้าท่าก็กลายเป็นว่าทําธุรกิจได้สนุกนะมชีชีวิตชีวาแล้วก็ได้อะไรได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั้นหัวใจของมันคือเจอหรือทําความคุ้นเคยกับสิ่งที่เรากลัวกลัวความมืดต้องไปเจอความมืดนะมันนึงจะหายกลัว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 ทังที่อาจจะเป็นมะเร็งแค่ะระยะที่หนึ่งที่สองเท่านั้นเองแต่มันเหมือนคนตายไปแล้วนี่นี่ไม่ใช่เพราะมะเร็งนะแต่เพราะความกลัวมะเร็งและความกลัวตายก็มีภาริติว่าคนกล้าตายครั้งเดียวคนกลัวตายหลายครั้งนะเพราะว่าพอคิดถึงความตายเมื่อไหร่ก็เหมือนกับตายไปแล้วแล้วถ้าเกิดตายจริงๆเมื่อไหร่นี่ก็เรียกว่าตายแบบหลงตายเลยคือตายด้วยความทุรนทุราย คนเรานี่ต้องเรียนรู้นะในการที่จะ เ, เรียนรู้ที่จะทาความคุ้นชินกับความตายนะเพราะอย่างที่บอกว่ากลัวอะไรก็ตามนะต้องเข้าไปเจอกับสิ่งนั้นมันถึงจะหายกลัวกลัวความมืดต้องเข้าไปเจอความมืดกลัวความล้มเหลวก็ต้องยอมเจอความล้มเหลวบ้างนะ กลัวลำบากต้องไปเจอความลำบากบ้างแล้วก็จะรู้ว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่คิดในสนองเด็กกันกลัวตายก็ต้องเจอนะกับความตายหรือว่าใกล้ชิดกับมันบ้างอันนี้เราคือเหตุที่ผู้เจ้าสอนให้เจริญร้อนนัสติเสมอนะการเจริญร้อนนัสติคือการระรู้ถึงความตายไว้จะเกิดขึ้นกับเราอยู่เสมอแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ความคิดแต่ว่ามันมันก็เป็นสิ่งเดียวมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทําได้ เพราะว่าคนเรามันตายครั้งเดียวเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตายจริงๆก็ต้องซ้อมเอาไว้ก่อนด้วยการนึกถึงหรือว่ า, าไปอยู่ใกล้ชิดกับความตายนะไปได้เห็นคนที่เขากำลังจะตายหรือว่าไปได้ช่วยเหลือคนที่กําลังจะตายเช่นเป็นจิตอาส า, ศาในโรงพยาบาลมันก็ช่วยทําให้คนเหล่านี้เนี่ยเขากลัวตายน้อยลงนะ พอพบ ว, ว่าเออบางคนก็ตายอย่างสงบนะแล้วก็อาจจะเห็นว่าบางคนตายไม่สงบแต่นั่นก็เพราะเขาไม่ได้เตรียมตัวที่จะคุ้นเคยกับความตายเลยไม่ได้เจริญมร้อนนัสติหรือไม่ไม่คิดที่จะเจริญมร้อนนัสติได้ซ้ำนั่นการการระลึกถึงความตายหรือว่าการซ้อมตา ย, ยเสมอเนี่ยมันเป็นวิธีที่จะช่วยทําให้เรา สามารถจะก้าวพ้นความกลัวตายได้แล้วคนเราถ้าไม่กลัวตายแล้วเนี่ยนะก็มันก็ให้อิสระภาพกับชีวิตได้เยอะแยะนะเพราะว่าในความกลัวตายมันทำให้มันเป็นตัวเหมือนกับเป็นโซ่ที่เหนี่ยวรังไม่ให้เราทำอะไรต่ออะไรมากมายทที่อาจจะมีประโยชนนะ์หรือว่าใช้ชีวิตแบบถ้าไม่ใช้ชีิตแบบ ปวดทเรเส้ามองนะแต่พอไม่กลัวตายแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออนะเช่นมันมีความโปงโล่งสดใสามากขึ้นก็ถึงมีพาสิตนะเป็นคํากรอนว่าเราลึกถึงความตายสบายนักคือถ้าเราลีกความตายเป็นนะมันก็จะสบายเพราะมันช่วยทำให้ปล่อยวางได้ง่ายมันตัดมันตัดรักหักลงในสงสาร บรรเทาเมือดอมหหันอันตรการทําให้หานหายสะดุง้งไม่ยุ่งใจอันนี้ก็เป็นกรอนนะที่หลวงพ่อท่านหนึ่งท่านแต่งเอาไว้ซึ่งก็จริงมากทีเดียวอาการระลึกถึงความตายยังช่วยทําให้เราปล่อยวางจากความทุกข์ความกลัดกลุ้มใจได้อย่างสตีจอมเนี่ยตอนที่เขายังไม่ตายเนี่ยสี่ห้าหกห้าปีก่อนที่เขาจะตายนี่เขาบกว่าเขาเป็นมะเร็งตับอ่อน แล้วเขาก็พบว่าไอการที่เป็นมะเร็งตับอ่อนนี่มันก็มีประโยชน์นะมันทําให้เขารู้สึกเลยว่าความตายใกล้เข้ามาแล้วมันทําให้เขารเริ่ดถึงความตายอยู่เสมอแล้วก็พบว่าพอเร้รู้ถึงความตายแล้วเนี่ยมันช่วยทําให้เ้าปล่อยวางได้หลายอย่างเขาเคยพูดว่าไอความความภาคภูมิใจความถือตัวความกลัว หน้าแตกหรือกลัวผิดหวังเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจิ๊บจอยเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือว่ามาลายหายไปทันทีเมื่อนึกถึงความตายคือพอเนึกถึงความตายแล้วเนี่ยไอ้เรื่องทั้งหลายทั้งปวนกลายเป็นเรื่องเล็กไปหมดเลยไม่บอกเขาไม่สึกเสียหน้าการถูกเพื่อนตําหนิงานการไม่ประสบความสําเร็จของหายเงินหายพวกนี้มันเป็นเรื่องจิ๊บจอยไปทนะันทีเมื่อนึกถึงความตายก็คือทําให้ปล่อยวางได้ เพราะว่าขนาดเรื่องคลิปจ้อยเหล่านี้นะยังปล่อยวางไม่ได้แล้วถ้าไปเจอความตายจะเป็นอย่างไรคนส่วนใหญ่เนี่ยทุกกับเรื่องเหล่านี้ความรู้สึกเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีเพราะว่าไม่ค่อยได้นึกเลยว่าตัวเองนี่จะต้องตายสักวันใดวันหนึ่งนะไอ้หน้าตาที่หวงแหนศักดิ์ศรีที่เป็นบ้าเป็นหลังเนี่ย พอใกล้าตายมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้เช่นเดียวกรรับทรัพย์สิงเงินทองมีมากมายแค่ไหนหัวงแหนเพียงใดมันก็ไม่ได้ช่วยให้ตายสงบได้เลยมีหําซ้ําตายไปก็เอาอไปไม่ได้มันก็จะเห็นได้ว่าไอ้สิ่งที่กู้คนไล่ล่าพยายามหามันมาสะสมขนาดที่เรียกว่าพร้อมจะฆ่ากันนะเพื่อจะได้มีอํานาจมีเงินทองมากมาย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 พวกลาบยศนะอำนาจนะจนกระทั่งลืมคุณงามความดีลืมธรรมะนะลืมการสร้างบุญสร้างกุศลไอ้บุญกุศลเหล่านี้นี่บุญกุศลนี่มันมีอนิสงส์มากกว่าเยอะนะเพราะว่าทาให้ใจสงบแล้วก็สามารถตามติดไปในภพหน้าได้ไอ้เงินทองนี่เอาไปในภพหน้าไม่ได้เลยเช่นเดียวกับอำนาจหรือบริษัทบริวาร และตอนจะตายนี่เงินทองก็ไม่ได้ช่วยให้ตายสงบ ห, หรือว่ามีความสุขได้เลยกลับรู้สึกเสียดายเลยซ้ำไม่ต้องพลาดจากเงินทองไปอำนาจวาสนาก็เช่นเดียวกันแต่ความดีหรือบุญกุศล น, นี่นะนึกถึงทีไรก็มีความสุขตอนทําก็มีความสุขทําไปแล้วนึกถึงเมื่อใดก็มีความสุขและเวลาใกล้ตายนึกถึงก็ทําให้มีความสุข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 เพราะว่าเสดายห่วงอะไรอย่างพระในสมัยพุทธกาลมีองค์หนึ่งเนี่ยได้จีวรใหม่มาพี่สาวให้เป็นจีวร อ, อย่างดีสมัยก่อนนี่จีวร น, นี่เป็นสิ่งที่หา ย, ยากมากมีค่ามากพระธรรมดาปกติก็ต้องไปเก็บจากผ้าหอศพนะกใครที่ได้จีวรที่ทอมาด้วยผ้านะ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 บอกว่าพอตายไปก็ไปเป็นเลนอ่ในจีวรคือไม่ได้ไปดีนะจนกระทั่งค้นเจวันครบอายุของเลนตายไปถึงได้ไปไปสวรรค์นี่ท่านึกถึงทรัพย์สินเงินทองนี่ไม่มักจะไปไม่ดีนะแต่ถ่านึกถึงบุญนี่ไปดีเนะพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแต่คนสวายนี้นะก็เห็นคุณค่าของบุญกุศลน้อยไป มัวลหลงไหลกับเงินทองอำ น, นาจวาสนาใชเยอะมันก็เลยชีวิตไม่มีความสุขแล้วก็สุขสติก็เป็นที่หวังได้ยากเพราะฉะนั้นการการระลอกถึงความตายนี่นะมันจะเป็นเครื่องกระตุ้นให้เราเลี่ยงทําความดนะีไม่มาหลงงมงายกับพวกประโยชน์สุขทางโลกที่มันเป็นของชั่วคราวาแล้วก็พูดกันเท่านี้นะกลับพระ